Thank you. นีฝนตกค่อนข้างทีหลังจากหายไปนานตกแต่ละครั้งก็แรงๆสมกับเป็นหน้าฝนเวลาฝนตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่โลง่งมันก็เปียกแต่ส่วนใหญ่เวลาฝนตกเราก็อยู่ในศาลาบ้างอยู่ในกุฏิบ้าง ศาลาเช่นหอไตก็ดีกุฏิก็ดีนะมีหลังคาฝนตกมาอย่างไรเราก็ไม่เปียกข้างนอกศาลาก็เปียกหมดนะแต่ว่าข้างในศาลาในกุฏิไม่เปียกอันนี้ผู้เจ้าเนะก็เคยเอามาเปรียบเทียบนะเป็นสอนเป็นธรรมะว่า หลังคานะถ้ามุกงไม่ดีแล้วเนี่ยฝนก็ไม่รดรั่วใจเนี่ยถ้าฝึกไว้ดีแล้วกิเลส ก, ก็ไม่อาจทำอะไรได้ในเวลาเราอยู่ในศาลาฝนตกมาไม่เปียกก็ให้เราลึกว่าเป็นเพราะมีหลังคาดีแต่ที่ไม่เปียกเนี่ยคือไม่เปียกกายแต่ว่าใจ อาจจะเปียกก็ได้เช่นพอฝนตกหนักก็กังวลว่าเดี๋ยวจะกลับไปกุฏิยังไงถ้าฝนยังตกอยู่ยรู้สึกกังวลว่าหลังคาหน้าต่างในกุฏิที่พัก ปิดเรียบร้อยดีหรือเปล่านะหรือฝนจะสายเข้าไปหรือบางทีก็นึกว่าแย่จังพาทต่ตะเอาไว้ไม่แห้งสักทีน่าจะเก็บก่อนนะอันนี้ก็ตำหนิตัวเองอันนี้เรียกว่ากายแห้งแต่ใจเปียกนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสตินะ ปอมีสติใจมันก็ปรุงแต่งหรือภาษาสมัยใหม่เรามโนนะคิดโน่นะคิด น, น, ดนี่คิดไปนะในสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือว่าสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดจริงหรือเปล่าคิดไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วทําให้เกิดอะไรขึ้นใจเป็นทุกขนะ์ไม่รู้จกักปล่อยไม่รู้จักวางเออมันจะเปียกก็เปียกไป ไอ้เสื้อผ้าที่ตากเอาไว้อะไม่เสียดงเสียดายเพอยังไงยังก็เดี๋ยวพอแดดออมก็แห้งเอาใจมารับรู้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าอยู่กับคําบรรยายหรือว่าเอาใจมาอยู่กับบทสวดมนต์ได้ประโยชน์กว่าเยอะนะให้เราจะทํางี้ได้เนี่ยเพราะว่าใจเรามีสติสตินี่ก็จึงเปรียบเหมือนกับ หลังคานะเป็นหลังคานะที่จะคุ้มครองจิตไม่ให้เปียกอยางมัวแต่รักษากายให้แห้งเพราะว่ามีหลังคานะต้องให้ใจเราเนี่ยมันมีสิ่งคุ้มกันด้วยนะพเจ้าตรัว่าเนี่ยใจที่ฝึกไว้ดีแล้วกิเลสย่อมไม่อาจทำอะไรได้ก็คือไม่ทำอันตรายฝึกอย่างไรนะก็ ทานศีลภาวนานเนี่ยง่ายๆสามข้อมองเขาก็สงสัยว่าแล้วมันมันต่างยังไงกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาที่จริงเนี่ยก็เรียกว่าไตรศึกขาแปลว่าการศึกษาสามขั้นตอนหรือว่าสามประเภทการศึกษาเนี่ยนะมันไม่ได้ศึกษาด้วยการอ่านตำรับตารา ไม่ได้ศึกษาด้วยการเข้าห้องเรียนนะเป็นการแต่เป็นการปฏิบัติทานศีลพรากกับศีลสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันนะนะเพียงแต่ว่าศีลเนี่ยท่านก็แยกออกมาเป็นทานอีกข้อหนึ่งแต่ที่จริงทานนี่ก็จะว่าเป็นศีลเพราะว่าศีลเนี่ยความหมายรวมๆก็คือการประพฤติกายและวาจา เมื่อเราให้ทานเนี่ยก็คือเรากำลังประพฤติทางกายโดยเกี่ยวข้องกับสิ่งของเช่นเงินทองอาหารนะก็นน้ทานศีลภาวนาที่ท่านใช้กับคารวะนะเพื่อให้เพื่อแยกคำว่าทานออกมาให้ชัดให้ชัดส่วนภาวนาเนี่ยคารวะเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพระนี่ก็จะแยกออกมาเป็นสมาธิและปัญญาหมายความว่า การภาวนาทางใจเนี่ยใจมันก็แยกเป็นสองนัคือจิตกับปัญญาฝึกจิตก็เรียกว่าฝึกสมาธิส่วนฝึกปัญญานี่ก็มันก็ตรงตัวอยู่แล้วคําว่าภาวนานเนี่ยนะให้เขา้าใจว่าหมายถึงการฝึกใจซึ่งก็แยกเป็นสองคือฝึกจิตกับฝึกปัญญาจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะ ฝึกเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีเช่นมีเมตตามีความอดทนหรือว่ามีความเพียรพยายามมีจิตที่แน่วแน่มีความมีสติรู้ทันอันนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกจิตสิกขาส่วนปัญญานี่มันเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็ความรู้ ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี่ไม่ได้เกิดจากการคิดอย่างเดียวนะมันเกิดจากการเห็นด้วยเห็นเพราะว่ามาดูจิตดูกายจนเห็นความจริงของกายและใจอันนี้ก็เรียกเป็นปัญญาถ้าเห็นอย่างทุลุปลุกปลงก็หลุดพ้นได้เพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เรียกว่ากิเลสไม่มีที่ตั้งอวิชชาก็ถูกทาลายเพราะว่า ความสว่างแห่งปัญญานี่มันาศาสสองจนกระทั่งไม่เหลือมุมมืดที่ต่อไปนีอ ย, อย่างที่บอกไว้แล้วทานสีพราณนา น, นี่มันเป็นเครื่องฝึกจิตนะทานเนี่ยนะมันฝึกจิตตรงไหนมันฝึกตรงที่ว่าให้เราลดความเห็นแก่ตัวรู้จักเอือเ้อเฟื่อเผื่อแผ่แล้วก็ฝึกให้เราปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าคนเราเนี่ยธรรมชาติคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกนะมันจะเห็นกับตัว มันจะไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นเท่าไหร่แล้วก็จะมีความยึดติดมีความโลภมีความหวงแหนทรัพย์สมบัติซึ่งก็นำไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อแย่งชิงมาเป็นของตัวถ้าไม่พอนะถ้าหวงแหนมากเนี่ยมันก็จะทุกได้ง่ายเพราะว่าสิ่งที่หวงแหนสิ่งที่ยึดเนี่ยมันไม่เที่ยงนะทรัพย์สินเงินทอง สักวันหนึ่งก็ต้องหลุดจากมือเราไปรถยนต์บ้านสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมนะต้องพังถ้าเราห่วงแหนไปยึดมันนะั้นเราก็ทุกข์นะทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยเพราะไปเบียดเบียนแย่งชิงแล้วทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยเมื่อมันเกิดความพัดภาคสูญเสียเราต้องเข้าใจนะว่าทานเนี่ยมันแปลว่าการให้การสละ เพื่อลดความเป็นกตัวลดความตนหนีลดความโลภแต่ถ้าเราให้ทานให้เป็นเนี่ยมันจะไปเพิ่มกิเลสเพิ่มความโลภเช่นทำบุญให้ทานบริจาคเงินเพื่อหวังว่าจะได้บุญเยอะๆแล้วบุญเยอะๆที่ว่านี้หมายถึงว่าจะทำให้ร่ำรวยเวลาจะถึงเวลาจะถึงวันออกขวยก็ รีไปใส่บาทนะให้ทานกันใหญ่พ่อจะได้ถูก ห, ว, หวยรวยรยเบอร์อย่างเงี้ยอย่างนี้เราว่าให้ทานด้วยความโลภมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดละความตนีความโลภนะการให้ทานต้องให้ถูกนะเดี๋ยวนี้แม้แต่คำว่าทานเนี่ยก็ความหมายก็ผิดเพี้ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ทานเนี่ยแปลว่าการกินคือเอาเข้าท้อง แต่ก่อนทานแปลว่าให้เดี๋ยวนี้ทานแปลว่าเอาใส่ท้องใส่ปากนะเช่นทานข้าวมันมีภาพที่แพร่หลายทางเฟ e b o o k ทาง Line นะเป็นรูปเป็นรูปวาดผู้หญิงอ้วนหน้าตาน่ารักบอกว่าหนูอ้วนก็เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนชอบบุญชอบกุศลเพราะมีคนบอกว่าถ้าอยากได้บุญได้กุศล ก็ให้ทานเยอะๆให้ทานเยอะๆเขาก็ไปเข้าใจว่าให้กินเยอะๆความหมายให้ทานเยอะคือบริจาคเงินเฟ่อเฟื้อพูนให้มากๆเนี่ยแต่แกเด็กคนนี้ไปเข้าใจว่าให้ทานเยอะๆคือกินเยอะๆเนี่ยมันก็เลยอ้วนะยิ่งอยากทําบุญยิ่งอยากได้บุญเท่าไหร่ยิ่งอ้วนนะพอไปคิดว่าต้องต้องทานมากๆนะความหมายมันเพี้ยนไปแล้วนะ ศัพท์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะแล้วมันเพี้ยนไปในทางที่ส่งเสริมกินเล่นนะนอกจากคาว่าทานแปลว่ากินหรือว่าเอาเข้าเอาใส่ปากแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นการให้แล้วเนี้ยคาว่าอธิษฐานก็เหมือนกันนะอธิษฐานเนี่ยความหมายจริงคือว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งดีงามอธิษฐานว่าจะภาวนา วันละสองชั่วโมงอธิษฐานว่าจะทำบุญให้ทานทุกวันนะอธิษฐานว่าจะไม่เล่น a ฟ e b o o k ไม่เล่น เ, เกมในระหว่างพรรษาเนี่ยนี่เราอธิษฐานอย่างที่พระอธิษฐานพรรษาเนี่ยความหมายคือตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจะดีนี้อธิษฐานแปลว่าอะไรแปลว่าขอ อธิษฐานใชขอให้รวยขอถูกลอตเตอรี่นะขอให้หายป่วยขอได้แฟนดีนะอธิษฐานแบบนี้เนี่ยมันไปทําให้งอเมืองอเท้าหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทําอะไรอะ่ะอยากจะรวยก็อธิษฐานแทนที่จะขยันมั่นเพียนแทนที่จะอธิษฐานตั้งใจมั่นว่านะฉันจะไม่เล่นพ น, นันฉันจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่คล่องละอาบายมุขนะฉันจะทํางานนะ ด้วยความพยายามมันเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานแบบเนี้ยรวยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอธิษฐานแบบนี้เพราะว่ามันเหนื่อยสู้อธิษฐานแบบสนองกิเลส ด, ดีกว่าก็คือขอนะไปขอเทวดาไปขอพระพรมไปขอเจ้าแม่กวนอิมเนะี่ยอธิษฐานแบบนี้มันไปสนองกิเลสอธิษฐานอธิษฐานที่แท้จริงเป็นบารมีนะเป็นบา ร, ม, นะบารมีนะบารมีในมีสิประการทศบารมี ทานนี่ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งนะอธิษฐานก็เป็นบารมีอีกประการหนึ่งบารมีนี่คือความดีอันยิ่งยวดนะที่สามารถจะทำให้รู้ธรรมหรือตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะตัสรู้พระ ส, าารสัมมาสัมพุทธิญาณเนี่ยนะก็ทรงบาเพ็ญบารมีทั้งสิบมานะับไม่ถ้วน ในแต่ทานนี่ก็ไม่ได้สละเฉพาะเงินทองนะทรัพย์สมบัติเท่านั้นนะสละอ ว, วัยวะสละดวงตาสละแขนเป็นทานแล้วก็บางพบาบางชาติก็สละชีวิต ด, ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นทานขั้นปรมัธบ ร, รมีเย่ยแต่เดี๋ยวนี้คาว่าทานนี่ความหมายก็เพี้ยนไปแล้วเป็นการ สนองกิเลสอธิษฐานก็เพี้ยนไปเหมือนกันนะสนองกิเลสแม้แต่คำว่าบา ร, รมีก็เพี้ยนไปเหมือนกันเดี๋ยวนี้คำว่าบา ร, รมีแปลว่าอะไรแปลว่าอิทธิพลคนคนนี้เป็นคนมีบา ร, รมนะีมีบริษัทบริวารเยอะนะซึ่งมักจะหมายถึงเจ้าพ่อนะคนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำความดีเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ทำในสิ่งที่ไม่ดี อาจจะมีลูกน้องเอาไว้จัดการคู่คแข่งขายของค้าของผิดกฎหมา ย, ยทำตัวเป็นมาเฟียก็เรียกเป็นผู้มีบารมีตรงข้ามกับบารมีทั้งสิบนะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเข้าใกล้ความเป็นพระพุทธเจ้าแต่บารมีในปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งห่างไกลจาก ความเป็นพระพุทธเจ้านะหรือห่างไกลาจากสวรรค์ด้วยซนะ้ำแล้วเข้าไกลนรกไยทุกทีอบารมีนี่มันเพี้ยนไปเยอะนะเดี๋ยวนี้คําว่าทศบารมีก็ลืมเลือนไปเยอะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีญาติโยมกลุ่มหนึ่งมาถวายผ้าป่าญาติโยมกลุ่มนี้ก็ไปทําบุญถวายพ้าป่าเนี่ยถวายสังกทานเนี่เก้าวัด ก็ค่อยๆทยอยทำสุกโตนี่ก็เป็นวัดที่เจ็ดวันที่แปดแล้วก็ถวายของของที่ถวายเช่นเทียนก็มีสติกเกอร์เขียนว่าเก้าวัดเก้าบารมีเสื้อผ้าของคนที่เสื้อของคนที่มาถวายบางคนก็เขียนเหมือนกันเป็นรูปว่าเก้าวัดเก้าบารมีอาตอมาก็ถามว่าแล้วบารมีไหนที่หายไป <c oughs> เขางงนะ ก็งงว่าหมายความว่าไงอัตมาก็ที่บายว่าบารมีในพุทธศาสนามันมีสิบถ้าเก้าบารมีก็แสดงว่าหายไปหนึ่งก็เลยอยากจะรู้ว่าอันไหนที่หายไปจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้นึกแบบนั้นนะเขานึกว่าทําบุญเก้าวัดก็คือได้เก้าบุญหรือว่าได้บุญคูณเก้าบารมีที่เขาก็ใจเนี่ยคือแปลว่าบุญได้ทําบุญเก้าวัดก็บุญก็เพิ่มเป็นเป็นเก้าประการหรือว่าคูณเก้าเขาไม่ได้นึกว่าบารมีเนี่ยนะ จริงๆมันมีสิบนะแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทาบุญกี่วัดกี่วัดถ้าทำบุญแบบนี้เนี่ยก็ได้อย่างมากก็คือทานบา ร, รมีอาจจะได้อีกข้อนคือวิริยะบา ร, รมีนะคือขยันนะแต่ว่าอย่างอื่นอาจจะไม่ได้นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควาเข้าใจนะับ ว, ว่าทานเนี่ย ซึ่งรวมไปถึงธรรมะข้ออื่นๆอีกข้อหนึ่งที่เข้าใจผิดมากคือคำว่ามานะมานะเนี่ยเดี๋ยวนี้แปลว่าแปลว่าความเพียรบางคนเนี่ยเอาชื่อมานะเอาคำว่ามานะไปตั้งเป็นชื่อลูกบางคนเอาคามานะไปตั้งชื่อเป็นนามสกุล น, นะที่จริงมานะคือกิเลสนะเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไป เลีว่ามีทิฏฐิมา น, ะ, มานะเนี่ยนะทิฏฐิมานะเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีมานะนี่มันเป็นสังโยชน์ข้อสุดประการกลุ่มสุดท้ายที่ต้องกำจัดถึงได้เป็นพระอระหันต์แต่ทีนี้มานะแปลว่าความพยายามเราใช้คาว่ามานะพยายามแต่ที่จริงมันไม่ถูกนะมานะเป็นกิเลสแต่ทีนี้เราไปข้อเจเป็นของดีที่ควรจะมาตั้งเป็นชื่อลูกชื่อหรือนามสกุลของตัวเนี่ย คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าทานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกจิตได้แล้วก็ศีลนะศีลนี่นนก็เป็นเครื่องควบคุมกิเลสคือโลคโกดหลงคนเราทําให้ควบคุมนะมันก็อยากจะไปขโมยอะ่ะหรือว่าลงมือขโมยเลยเพราะอยากได้ไงหรือว่าไปฉุดค่าอนาจารผู้หญิงเพราะ มีความโลภมีราคะหรือมิฉนั้นก็โกหกเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการหรือมิฉนั้นก็ไปฆ่าคนนะเพราะว่าความโกรธหรือมิฉนั้นก็ไปทำร้ายตัวเองให้เมาไมา้ด้วยการกินเหล้านะเสษยาฉะนั้นถ้าเราไม่คุมนะ มันจะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแล้วก็ความเดือดร้อนนั้นก็กลับมาสู่ตัวเราชีวิตก็ไม่เป็นสุขอยู่ร้อนนอนทุกข์นะเพราะว่าไปทําชั่วผิดศีลนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยคนฉลาดก็ต้องพยายามรักษาศีลรักษาเพื่อควบคุมนะโลภะโทสะโมหะให้อยู่ในขอบเขตคือเป็นปุถุชนก็ยังมีโลภะอยู่บ้างมีโทสะอยู่บ้างมีโมหะอยู่บ้างก็ให้มันมีพอประมาณนะ อย่าไปถึงขั้นไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือทำลายตัวเองแต่อันนี้ถ้าเรารักษาศีลไม่เป็นนะมันก็จะกลายเป็นเครื่องอวดหรือว่าส่งเสริมกิเลสนะโดยเพราะถ้าถือศีลแปดนะก็จะไปอวดว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนมีศีลนศีลแปดก็ไปขม่มศีลห้าส่วนศีลสิบก็ไปขม่มศีลแปดนะ คมกันเป็นท อ, ทอดๆสีนี่เขาไม่มีไว้คมไม่ได้มีไว้อวดนะแล้วก็ไม่ได้มีไว้ให้หลงตัวลืมตนคือพอ ร, รักษาสีลดีแล้วเราก็ประมาทไม่ได้รักษาใจด้วยบางคนรักษาสีแต่โกรธขี้โกรธนะอันนี้แสดงว่าไม่ได้รักษาศีอย่างเข้าใจความหมายสีแปะเนี่ยนะมัน เราต้องเข้าใจนะว่ามันนอกจากเป็นการปฏิบัติเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนด้วยเฉพาะศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่สามซึ่งเป็นเปลี่ยนจากกามนะมาเป็นอัพมจริยาแล้วก็ศีลข้อหกข้อเจ็ข้อแปดเนี่ยนะเป็นการฝึกเพื่อให้เราเนี่ยห่างไกลจากกามสุขคนเราเนี่ย ถ้าเรายังติดความสุขทางการความสุขทางวัตถุเช่นการกินการฟ้อนรําการดูหนังฟังเพลงความบันเทิงการเพลิดเพลินนะในการหลับการนอนเนี่ยชีวิมันไม่เจริญไม่มีโอกาสที่จะทําความดีขั้นสูงได้และไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขที่ประนีความสุขที่ประนีเนี่ยมันมีนะ แต่ว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถจะเข้าสูงไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ปานนี้ได้เพราะมันไปติดอยู่กับความสุขแบบหยาบๆก็เมื่อคนที่ติดเล่าติดบุหรีเนี่ยไม่รู้หรอกว่า ก, การที่ไม่มีการที่ไม่ติดเล่าไม่สูดไม่ติดบุหรีเนี่ยมันสุขยังไงบ้างนะมันอิสระยังไงบ้างแต่ถ้าหากว่าอยากจะเจอกับความสุขที่มันปานนี้หรือที่มันประเสริฐกว่าเล่าหรือบุหรีก็ต้องฝึก หักอดนะเริ่มจากการลดก่อนและตอนหลังก็ละแล้วก็เลิกก็จะพบว่าอาการที่เราไม่ติดบุหรีนี่มันมีความสุขนะแต่ไม่ติดบุหรีแต่อาจจะติดอย่างอื่นติดหนังฟังเพลงติดของอร่อยอ่ารู้หรือเปล่าว่า ม, มีความสุขที่ดีกว่านั้นเป็นความสุขทางใจนะจะทำยังไงถึงจะเข้าถึงความสุขนั้นก็ต้องลองลดลองลองละหรือเลิกดูบ้าง พอลดละแล้วเนี่ยเออมันก็เริ่มเห็นนะถึงแม้ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เที่ยวแต่ไม่ร้องลัมนะมันก็มีความสุขได้นะถึงแม้ไม่ไม่กินข้าวเย็นหรือว่าไม่หาอาสิ่งขนมมาปนเปอรอตลอดเวลาเวลามันก็มีความสุขได้นะเป็นความสุขทางใจเป็นความสุขที่เรียบง่ายเป็นความสุขที่เรียกว่าเนคขมมะ คนที่เคยติดเรื่องเพศนะขาดไอความสุขทางเพศไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่ า, าความสุขจากชีวิตพรหมจรรย์เป็นยังไงและถ้าอยากจะรู้จักหรืออยากจะถึงเนี่ยก็ต้องรู้จักวางรู้จักละรู้จักลดบ้างน ะ, ะเราจะพูะโอ้ความสุขที่มันไม่ต้องอิงเพศนะหรือว่าไม่ต้องผูกพึ่งพาไอาเพศสัมผัสเพศลถนี่มันก็มีนะแล้วก็มันประเสริฐ ก, กว่าด้วยนะ สบายใจกันด้วยนะให้เราเข้าใจนะว่าการที่มาถือศีลอุโบสถเนี่ยนะมันไม่ใช่เพื่อทรมานตนไม่ใช่เพื่ออวดว่าฉันมีความอดทนไม่ได้เพื่อฝึกความอดทนเท่านั้นนะอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่ได้คือมันเป็นประตูที่จะพาเราไปสู่ความสุขที่ประณีตความสุขที่ไม่ต้องอิงกามเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากเนคคัมมะนะ เน่ฆัมมะนี่เรามักจะแปลว่าออกบวชนะมันแปลว่าออกจากกามความหมายจริงๆคือออกจากกามหรือว่าห่างไกลาจากกามนะเช่นมาถือศีลแปดที่วัดเนี่ยก็เป็นเน่ฆัมมะได้ก็เหมือนกับเป็นการบวชอย่างหนึ่งเน่ฆัมมะที่ก็เป็นบา ร, รมีอีกข้อหนึ่งนะเป็นบา ร, รมีที่ทําให้เข้าใกล้ความเป็นพระพุทธเจ้าดังั้นถ้าเรา เข้าใจความมุ่งหมายเนี่ยเราก็จะอได้ประโยชน์นะจากการถือศีลโดยพราศีลแปดได้พบว่าเออไม่อยู่บ้านมาอยู่วัดนะไม่มีสิ่งบันเทิงเริงรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีกามที่จะมาให้เจ็บตามใจอยากนะมันมีบ้างแต่มันไม่มากเนี่ย มันก็ทําให้มีความสุขได้เหมือนกันและพอมีความสุขแบบนี้นะต่อไปก็แทนที่จะทําทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งต่อไปก็ทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอันนี้การบวชก็เหมือนกันนะบวชพระก็เหมือนกันนะบวชพระนี่ก็เป็นการเป็นเนคขมะที่ที่เป็นการออกบวชเพราะว่ามันทําให้ออกจากกรามทีแรกก็ไกลาจากกรามก่อนตอนหลังก็ค่อยๆอ อ, ออกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความปลอดโปรง่ง จากสิ่งรอ่อเราเย้ายวนความจิตใจมันปลอดโปรง่งซึ่งโยมก็ประสบได้สัมผัสได้นะปลอดโปรง่งนะจากสิ่งรอ่อเราเย้ายวนเดี๋ยวนี้มันก็ต้องรวมไปถึงการอลดละอย่างอื่นด้วยหน้าที่คนเราติดนะเช่นคนรุ่นใหม่เด็กๆ ก, ก็ติดโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เป็นหนักมากนะ กินข้าวก็ต้องเปิดไลน์เล่นไลน์ไปเรียนหนังสือเนี่ยว่าเมื่อเช้าไปพูดที่โรงพยาบาลรา ม, มานะก็คุยอาจารย์แพทย์นักศึกษาแพทย์หลายคนเดี๋ยวนี้ไม่มีสมาธิเรียนหนังสือเอาแต่ดูโทรศัพท์มือถือนะขณะที่อาจารย์บรรยายจะให ปิดโทรศัพท์มือถือนี่ทําใจยากนะคือติดไปละติดโทรศัพท์มือถือไปละแล้วพวกนี้เวลาไปไหนเนี่ยนะไม่มีความสุขนะถ้าไม่มีสัญญาณนะ่ะเวลาจะไปไหนที่เกตเเกตต้องถามว่ามีสัญญาณไหมสัญญาณอะไรสัญญาณโทรศัพท์แล้วต้อง 3G 4G ด้วยนะอันนี้เรียกว่าเสพติดละเป็นอบายมุกยาแบบหนึ่งเป็นการมาสุก ข, ขั้นละเอียดเนะี่ย สมัยนี้ความสุขเนี่ยนะมันมันซับซ้อนมากขึ้นนะไอ้การมาสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาหารมันไม่ได้อยู่ที่เพลงมันลอยกระจายไปตามอากาศเนี่ยในอากาศเนี่ยนะมันมีการมาสุขที่ล่องลอยอยู่นะพอเปิดโทรศัพท์รับสัญญาณปุ๊บมันมาเลยมันเข้ามาทางโทรศัพท์เลยเรา ก, ก็ทําให้ติดนะเดี๋ยวนี้ จะทําอะไรดีๆทําไม่ได้แล้วเช่นเรียนหนังสือให้มีสมาธิทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดมันก็ไม่ต่างจากคนที่ติดเหล้านะติดบุหรี่จะทําอะไรก็ถ้าไม่มีบุหรี่ไม่มีเหล้านี่มันทําไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเหล้าบุหรี่มันทําลายสุขภาพแต่ว่าโทรศัพท์มือถือมันบันทอนจิตใจมากกว่าแต่ถ้าบันทอนจิตใจนานๆก็สุขภาพก็แย่นะ ขั้นศีลแปเนี่ยสมัยใหม่นี่มันก็ต้องรวมถึงการาที่ลดละเลิกนะโทรศัพท์มือถือด้วยบางคนไม่เข้าใจนะมาถือศีลแปดในวัดแต่ยังเล่นไลน์ยังเปิดโทรศัพท์มือถือนะอันนี้มันก็เท่ากับว่ายังไม่ได้บำเพ็ญเนคขมมะเท่าที่ควรนะมันยังติดอยู่นะ สินแปนี้เขามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เราเนี่ยลดละเลิกไอ้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้หมายความว่าจะต้องอไม่ได้หมายความแค่อดอาหารเย็นไม่ดูหนังฟังเพลงหรือว่าไม่นอนในที่สูงใหญ่เท่านั้นนะติดอย่างอื่นนี่ก็ต้องควรจะลดละด้วยเช่นกาแฟเงี้ยหรือว่าน้ำอัดลมเงี้ย มันถึงจะเป็นอุโบสทศเสนอย่างแท้จริงนะอ่าวคำนี้ก็พูดเท่านี้ก่อนนะทานกับเสนภาว น, นา ย, ยังไม่ได้พูดเลยพูดนี้ค่อยต่อแล้วกันกราบพาพพร้อมกัน